เนื้อที่ควรฉันและไม่ควรฉันถ้าว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องเขาเอามาให้มาถวายเพราะเขากินอย่างนี้เขาเอามาให้อย่างนี้เราก็ฉันไปเถอะกินไปเถอะถึงยังไงเราก็รักเมตตาทุกตัวสัตว์เหมือนกับเรารักลูกของเราแต่ลูกของเราตายแล้ว แล้วก็ต้องกินเนื้อของเขาเพื่อเดินข้ามทะเลทรายถ้าไม่กินเนื้อลูกของเรามันไม่ข้ามทะเลทรายไปไม่ได้เพราะมันไกลเราจะต้องตายอีกส่วนหนึ่งตอนนั้นเราต้องประทังชีวิตอันนี้ก็คือลักษณะอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าด้วยได้เห็นด้วยได้ยินด้วยสงสยัย แต่ว่าสงสัยคำนี้นะด้วยสงสัยแล้วขืนทรรมลงหนึ่งอันนี้ก็ผิดพวินยัยาการที่ภิกษุจะต้องอาบัติมีหกอย่างต้องด้วยไม่ไม่ละอายเนี่งตยต้องด้วยไม่รู้จ่งจะเป็นอาบัตหนึ่งต้องสงสัยแล้วขืนทรรมลงหนึ่งต้องด้วยสำคัญว่าควรในของที่ควรหนึ่งด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของต้องสาคัญ ไม่ควรว่าควรในของที่ไม่ควรหนึ่งต้องด้วยลืมสติหนึ่งสงสัยแล้วคืนทําลงหนึ่งอันนี้ก็คือเราสงสัยสมมติว่าเอ๊ะเขาเออกมาเนี่ยเป็นปลาเป็นปลาไหลหรือเป็นงูอะค่ะคืองูนะพระพุทธเจ้าไมา่ฉันเนี่ยปรับอวัตถุ ก, กฎงู งูฮะแต่ว่าเขาเอาปลาไหลมาแต่เราก็สงสัยมันเป็นเป็นงูหรือเปล่าแต่ก็ทงเราก็ฉันแต่ถึงเราถึงเราแต่มันเป็นเนื้อปลาไหลแต่ว่าเราสงสัยว่าเป็นงูแต่เราก็ฉันในขณะฉันเนี่ยสงสัยแล้วขืนทำลงหนึ่งคือคือฉันปรับอวบัดทุกอเพราะว่าสงสัยแล้วขืนทำถ้าเราไม่สงสัยเราก็ฉัน อย่างถ้ามไม่ให้ฉันเนื้อม้าอย่างนี้แต่เขาเอาเนื้อวัวใส่บาตรหรือถวายเราก็สงสัยเอ๊ะมันเป็นเนื้อม้าหรือเปล่าแต่เราก็ฉันฉันฉันป ร, ปรบับอตบถูกกฎเพราะแล้วสงสัยแล้วคืนทำลงหนึ่งทั้งที่มันเป็นเนื้อวัวแต่เราสงสัยแล้วก็ฉันเพราะการที่สงสัยแล้วอย่าฉันเอาออกไม่ฉัน อันนั้นไม่เป็นอาบัติพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าด้วยเห็นได้ยินและสงสัยเห็นก็คือเราไปไปในหมู่บ้านเขา เ, เราก็เห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าค้าฆ่าสัตว์สรุปแล้วคือคือฆ่าสัตว์โอ้พระคุณเจ้ามาแล้วมาสู่บ้านเราไม่มีอาหารที่จะเลี้ยงพระคุณเจ้า พวกเราควรจะฆ่าสัตว์หมูหมาเป็ดไก่กล้าพวกฆาควายเพื่อเลี้ยงพระสงฆ์พระท่านมาสู่อยู่บ้านเราไม่มีอาหารจะแต่ว่าท่านแต่พระได้ยินว่าเขาพูดอย่างนั้นถ้าฉันเข้าไปปรับอบัดทุกกฎเพราะว่าได้เห็นก็ได้ยินก็นเหมือนกันแต่ไม่เห็นเวลาเขาทำแต่ได้ยินเขาคุยกัน เ้ยพระสูงมาแล้วเราควรจะไปหาปลาไปตกปลามาถวายพระวันใสจังหันวันพงนี้แต่เราไม่เห็นไปเวลาเขาตกปลาแต่เราได้ยินเขาพูดคุยกันพอพงนี้เช้ามาเราก็เห็นปลาอยู่ในสำรับกับข้าวแต่พระก็ฉันอันนี้ปราบอว บ, บัดทุกกฎเพราะอะไเพราได้ยินแต่สงสัยตะคอน มาอยู่ที่นี่มันก็ไม่มีอะไรแต่มีพระอีกกลุ่มหนึ่งมามาอยู่เมื่อนเพื่อนมากเขาไปทาอาหารมาอย่างรู้ลาโอ้อาไปฆ่าสัตว์มามาเลี้ยงพระอันนี้เขาต้องเจาะจงแน่ๆเขาจะต้องมาถวายพระอันนี้สงสัยถ้าสงสัยแล้วก็ฉันเป็นอวบทุกโกรอีกเพราะสงสัย ไม่ควรฉันถ้าสงสัยสงสัยว่าเขาจะมาเอาเนื้อเนื้อสัตว์มาถวายถ้าว่าเขากินอยู่อย่างนั้นเป็นประเพณีของเขาเรื่องของเขาเขามานำมาถวายก็ฉันไปเถอะเพราะเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นอันนี้คือพระวินัย สิ่งเหล่านี้เราต้องรับรู้รับทราบเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบอย่าไปเอาทิฏฐิมานะของตนเองเข้าไปจับแล้วก็บ่งการออกมาแล้วก็ตามความคิดของของตนเองความคิดของเราเน่ไม่มีใครรับรองนะ แต่ตัวเองก็ยังไม่รับรองตัวเองยะให้คนอื่นรับรองได้ยังไงถ้าคำคำสอนของพระพุทธทเจ้าแล้วเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเพราะนั้นเราต้องศึกษาต้องฟังแล้วก็นำมาวิเคราะห์ถ้าสงสัยและถามครูบาอาจารย์ถามท่านผู้รู้อยากทำโดยพระการอยากคิดได้คิดทา สิ่งเหล่านี้ขอฝากบอกครับพวกเราทุกๆ ท, ท่านผู้หวังแสวงหาความสุขและก็รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเราต้องมีกฎมีเกณฑ์ะจะทําสิ่งไหนออกไปพระพุทธเจ้าบัญญัติมดทุกอนุทุกวิธีคิดทุกวิธีเดินทุก วิธีการเป็นอยู่ถ้าเราศึกษาเร า, เราจะรู้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยละเอียดขนาดไหนเราจะรู้บางทีเราคาดไม่ถึงอีกต่างหากทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะั่ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่บวชเป็นพระ อยู่ท้าวรอยู่ตลอดไปก็ให้ศึกษาเรื่องหลักพระธรรมวินัยแต่สำหรับพระในสิทิ์นักศึกษาพระลูกพระหลานเข้ามาบวชเข้ามาศึกษาก็ให้ศึกษาให้เรียนรู้เอาไว้เมื่อเราเป็นออกไปเป็นครวญถ้าเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับพระเราก็จะได้รู้ว่าเขาพูดอย่างนี้เอสมัยก่อนครูบาอาจารย์และหลวงพ่อท่านพูดให้ฟังแล้ว หรือว่าเราได้ฟัง MP3 สเทปหรือ่าอ่านหนังสื อ, อทาคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านวิเคราะห์หรือว่าขั้นพูดออกมาแล้วหรือเราได้อ่านพระไตรปิฎกพิดกแล้วในเรื่องนี้สิ่งเหล่านี้พวกเราก็จะได้มั่นใจไม่ใช่ว่าเขาพูดยังไงก็เฉยเฉไปตามเขาเหมือนไม้ลักปักขี้เลนอย่างนั้น หาความสัตย์จริงไม่ได้แต่ถึงยังไงถ้าเขาพูดมาเราก็ต้องหยุดฟังจากนั้นเราก็ค้นคว้าถามเขาว่าอที่พูดมาเนี่ยมาจากเล่มไหนมาจากเรื่องอะไรพระวินัยหรือพระสูตรที่สาธกเดือพูดเข้ามาเนี่ยมีที่ไปที่มาต้องมีที่ไปที่มาไม่ใช่ว่าคิดได้เดาได้แล้วก็พูดไปเรื่อยพวกเรานะ มาศึกษารัก ร, รมคำสอนพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือให้ศึกษาเรื่องของใจนะใจนี่แหละเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเรียนเรื่องของใจแล้วเรียนเรื่องตัวผู้รู้เรียนเรื่องของธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วถ้าจบปลับสูตรจบจบเรื่องของใจ แปลว่าจบหมดทุกอย่างผลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าไปเรียนรู้และไปศึกษาตามลำพังของพระ อ, องค์ไปค้นคว้าศึกษาตามลำพังพระ อ, องค์ที่โครนต้นโพวันเดือนหกเพนท่านเรียนจบจบเรื่องของใจเป็นอเสขะได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ จากนั้นก็นำพระธรรมคำสอนที่ได้เรียนรู้ได้ตัดสู้นั้นมาประกาศเผยแพ่ให้แก่พระสงฆ์พระสงฆ์ก็ได้ฟังได้ยินได้ฟังจากพระธรรมคำสอนนำไปประพฤติปฏิบัติก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแต่องค์ที่ฟังเฉพาะพระพักเฉพาะคำพูดของผู้องค์ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานก็มีมากต่อมากในครั้งกัณนุน เมื่อได้สำเร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ประกาศเลย ว, ว่าอันนี้คือเป็นพระอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วจบบริบูรณ์จบหมดทุกอย่างไม่ต้องศึกษาอีกไปวิชาในโลกนี้หมดจบเพียงเท่านี้อะเสขะแต่ว่าในครั้งพุทธการในเมื่อท่านจบอเสขะแล้วบางทีท่านก็ได้วิชา วิชามีอิทธิฤทธิ์อิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารอนุษาสตีปฏิหารท่านมีอภิเนหารหล า, หลายอย่างเหาะเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้ดักใจทายใจได้ใครจะพูดอะไรท่านรู้ได้หมดท่านรู้ก็ทั่งก่อนที่เขาจะจะคิดอีกจะพูดอีกต่างหากเขาจะพูดเรื่องอะไรท่านรู้ล่ะ เ็ท่านเรียนรู้ใจของท่านเมื่อรู้ใจของท่านท่านก็รู้ของคนอื่นคิดอีกต่างหากใจของคนอื่นกับใจของท่านมันก็อันเดียวกันแต่บัดนี้ใจของท่านชําระแล้วบริสุทธิ์แล้วใจของเขาเน่ยยังเต็มไปด้วยกิเลสเหมือนท่านของท่านสมัยก่อนแต่บัดนี้ท่านเป็นอาศขาแล้วจบละไม่ต้องศึกษาแล้ว น, นี่แหละพระในครั้งพุทธกาล ในครั้งพระพุทธเจ้าเป็นพระอเสขาเนี่ยมีมากแต่พระเสขานี่คือพระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาพระอนาคาเนี่ยก็ยังเป็นพระเสขาอยู่ผู้ยังต้องศึกษาอยู่เพราะยังไม่จบบริบูรณ์จะต้องได้ศึกษาในเมื่อไม่พ้นทุกในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เมื่อตายจากมนุษย์ก็ขึ้นไปสู่พรม สุทธวาตห้าชั้นอวิหาอัตปาสุทตสาสุเสียกนิฐานี่คือเป็นชั้นอยู่ของพรหมที่เป็นพระอนาคามีแต่ไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินอีกพระอนาคามีพร้อมที่จะผันตัวเองเข้าสู่นิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกละพระอนาคามีแปลว่าขึ้นไปแล้วจบไม่ลงมาอีกแต่ยังไม่ถึงนิพพานแต่พระอรหันนั้นพอดับขันเข้าไปก็ อนุปาที่เสสนิพา น, นดับเข้าสู่นิพานอันนั้นคือพระอาหารหันต์นอกจากนั้นลงมาแล้วก็ต้องเวียนว่าตายเกิดยิ่งผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระสดาบันยังมีกิเลสอยู่ในจิตใจถึงจะในระดับใดก็เถอะอันนั้นยังไม่แน่นอนเพราะพระพุทธเจ้ายัางไม่รับรองว่าจะไปเกิดในภพภูมิไหน พร้อมที่จะลงต่ําได้ทั้งที่จะขึ้นบางครั้งก็ขึ้นไปเกิดเป็นพรหมเป็นพรหมโลกแต่ออกจากพรหมลงมามาเกิดเป็นหมูหมากาไก่ได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะยังไม่มาตรฐานยังไม่ยังไม่รับรองเพราะมันยังมีส่วนเกินอยู่ในนั้นแต่ถ้าเป็ น, ปนพระโสดาบันแล้วแปลว่าเกาะติดขึ้นไปสู่บันไดสี่ขั้นแล้ว พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่สองที่สามแล้วก็ที่สี่คือพระหรันแต่นอกจากนั้นลงมาเนี่ยยังเกาะบันไดขั้นต้นยังไม่ถูกยังไม่ได้ ย, ยังเป็นปุตุชนพร้อมที่จะไปสู่ภพภูมิต่างๆพร้อมที่จะไปสู่พรมพร้อมที่จะไปสู่สวรรค์ได้แต่พร้อมที่จะตกนรกได้ คือยังเป็นไม่รับรองยังเป็นปุตชนอยู่ยังไม่ใช่อริยชนอริยชนคือพระโสดาบันขึ้นไปเรียกว่าพระอริยชนผู้ที่แน่นอนพร้อมที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานในที่สุดพระโสดาบันเมื่อท่านได้สำเร็จพระโสดาบันพระโสดาบันมีสามเกรด เกรด A B C ีก็คือพระโสดาบันชั้นหนึ่งพอเกิดมาอีกเกิดชาติหน้าเพียงชาติเดียวบอมเพนก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้รอเอกับพีชีถ้าพระโสดาบันเกรดสองเกรดบอันนั้นหรอโกลังโกละ จะได้เกิดอีกสามชาติเกิดมาอีกสามชาติบำเพ็ญอยู่สามชาติไม่เกินกว่านั้นก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่เกศีพระโสราบาลเกศีแปลว่าชตตุัตะปรมะแปลว่าเกิดเจดชาติเมื่อได้สมเรจพระโสราบาลเกิดเจดชาติต้องใช้กรรมอยู่เจดชาติบำเพ็ญอยู่เจดชาติ ก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ไม่เกินกว่านั้นอันนี้พระรหันต์เกรดสีมีอยู่สามเกรดเกรดเอบีซีแต่พระสกทาคามีพระสกทาคามีเกิดชาติเดียวเหมือนกับพระโสดาบันเกรดเอนะเกิดชาติเดียวท่านก็ได้สําเร็จมรรคสําเร็จผลท่านไมอธิบายชัดเจนตัวนี้พระสกทาคามีเนี่ยไม่อธิบายชัด ท่านบอกทำให้กิเลสทุกตัวเบาบางเพียงเท่านั้นก็จะสำเร็จมรรคผลเกิดเพียงชาติเดียวแต่พระโสดาบันขปอนาคามีในท่านบอกชัดเจนและพระพระรหันในท่านเขาบอกไว้ชัดเจนพระรหันถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่พระรหันมีอยู่สี่จำพวกสุขวิปัสสโกคือประเภทหนึ่งประเภทที่หนึ่งเตวิชโช สละพิญโยปฏิสัมพิทัพปัตโตอันนี้คือพระหันมีอยู่สี่จำพวกสุขะวิปัสโกเป็นพระหรันแปลว่าท่านภาวนาไปทางด้านปัญญามากพิจารณาทางด้านปัญญามากท่านบำเพ็ญในพบก่อนชาติก่อนท่านก็พิจารเอาทางปัญญาพิจารณาถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา พอท่านได้เป็นพระอาหารหันต์ใจของท่านบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนกับของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอรหันต์ทุกประเภทแต่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ไม่มีอิทธิฤทธิ์อ่าห่อเหินเดินฟ้าไม่ได้ดำดินบินบนไม่ได้แสดงฤทธิ์ไม่ได้แต่ว่าตถุของท่านเป็นพระอรหันต์แต่ใช้เหตุผล ในการเป็นดูเอาเหตุผลเข้าไปอย่างอย่างพิจารณาด้วยเหตุผลอันนี้คือพระอรหรันตุขวิปัสสโกเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิพทัพปโตอันนี้คือพระอรหันต์ที่มีอิทธิฤทธิแตกแตกต่างกันจุดแท้แต่บุญวาดาสนาบารมีของแต่ละองค์ที่บํมเพนมาบางทงกับเป็นหรือสีชีภัยมนนนาน เคยมีอิทธิฤิธเหาะเหินเดินฟ้าดำดินบินบนไอรันได้ทั้งหมดพระอรหันสามประเภทเนี่ยสามถามสามท่านเนี่ยเตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปะโตเนี่ยพวกนี้จะเข้าสู่นิพพานได้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แต่พระอรหันชุกะวิปัสสโกนี่ไม่ได้เข้าฌานไม่ได้ แต่ Cho, สเตวิชโชสละพิโยปฏิสัมพิทัปโตเข้าฌานได้เข้าสู่ น, นิพพานขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เรีวยกว่าอุปาทิเสสนิพานเขาบอกเข้าสู่ น, นิพพานขณะยังมีชีวิตอยู่นะอุปาทิเสสนิพานเข้านั่งสมาธิเจ็ดวันนิ่งอธิษฐานว่าเราจะเข้าสู่นิพพานขณะนีะ้ร่างกายของเราให้อยู่ปกติ ขณะที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นแล้วท่านไปอยู่ท่านไปนั่งอยู่ในที่ปลอดภยัยถึงไฟจะไหม้กุฏิของท่านบอดด้านหลังหรือใครจะเอาไฟมาเผาท่านแปลว่าไม่ละคลายเครืองในในผิวของท่านเลยอันนี้คือพระหรหันต์ที่เข้าอุปาทิเสสนิพานแต่เมื่อออกมาจากเข้าไปสู่นิพานแล้วออกมาแล้ว หนเนีเหมือนกับท่านเอารถไปจอดไว้ในที่ปลอดภัยเพราะจอดเสร็จแล้วก็ติดเครื่องเอาไว้เพราะร่างกายของท่านอ่ะไม่ได้ไม่ดับนะลมหายใจเขาออกยังปกติอยู่แต่ท่านนั่งนิ่งอยู่เจ็ดวันพอออกมาใจของท่านก็เข้าสู่ร่างกายเหมือนกับไปจอดรถเอาไว้ท่านก็เดินออกไปไปพักที่อื่นไปพักโรงแรมไปพักที่ไหนไหนตามอัธยาศัยของท่าน พอถึงเจ็ดวันแล้วก็กลับมาตามกำหนดพอกลับมาก็ขึ้นไปรถพอเข้าไปนั่งรถเนี่ยรถจะให้ปกติเหมือนตะก่อนเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุอะไร น, น, น้ำมันก็ต้องหมดเพราะติดเครื่องเอาไว้อันนี้ท่านก็ลงมีความหิวเหมือนกันร่างกายมันหิ ว, วนี่แหละในเมื่อพระอารหันต์ออกจากนิโรธสมาบัติท่านจึงมองดูสัตวโลกทั้งหลาย ใครจะเป็นผู้ทำบุญกับท่านใครจะเป็นผู้เป็นบุญเคยเป็นญาติติโกโหติการในอดีตชาติที่จะได้ไปสงเคราะห์เขาพระหานในท่านจะมองดูจากนั้นท่านก็ไปโปรดคนนั้นถ้าพระหานที่ออกจากนิโรธสมาบัติไปโปรดผู้ใดใครผู้หนึ่งแปลว่าผู้นั้นเหมือนกับถูกหวยแจ็คพอตทวีคูณ รวยอตั้งปาณาณาอะไรจะเป็นอตามว่าในช่วงนั้นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ว่างลงก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ได้เศรษฐีพร้อมที่จะเป็นได้ค้บดีพร้อมที่จะเป็นได้ปราณาณาสิ่งใดที่เป็นเศรษฐีนะโดยมากล่ารวยทันตาเลยเพราะบุญกุศล ม, มหาศาลที่ได้รับ แต่ทันทําบุญกับพระอาราหันต์ที่ออกจากนิโรธชมาบัติหาได้ยากมากนี่แหละอันนี้ก็คือพระอรหันต์มีอยู่สามมีอยู่สี่จำพวกมีสมีสี 4, ่อย่างสุขะวิปัสสโกเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัปตโตแต่พระอาราหันต์ที่มีอิทธิฤทธิ์มีอยู่สามพระอรหันต์ที่ไม่มีเพียงแต่รู้ว่าตัวเองหมดกิเลส ราคะโทสะโมหะนะคือประเภทสุ ข, ขวิปัสโกนะมีในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้ามาตรอดถึงขั้งนี้นะ่ะเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะพูดในแง่มุมไหนเหลี่ยมไหนท่านบอกท่านตรัสไว้หมดท่านบอกแนวทางไว้หมดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านลูกหลานทุกอ ง, ง น, นะ พอวนาถึงอย่างเราจะไปเป็นคราวาสก็เถอะเป็นคราวาสยาจมเป็นหมอควรจะทำสมาธิวันไหนว่างๆไม่ควรจะปล่อยปะละเลยเพราะชีวิตของเราไปเที่ยงแท้แน่นอนควรจะสืบสารสืบต่อทำจิตใจให้สงบถ้าเมื่อเราจิตใจสงบจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจที่มั่นคง ก็จะเป็นหมอหรือจะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าใจของเราก็มีหลักยดึดคือมีหลักธรรมยึดในจิตใจจิตใจของเราจะไม่ว้าเหวอ้างว่างเงียบเหงาซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะใจของเราอยู่กับหลักเหตุผลแต่ถ้าพวกเราปล่อยปละละเลยคิดว่าจะมีความสุขอย่าไปคิดอย่างนั้นนะลูกหลานทั้งหลายความสุขในโลกนี้มันไม่มีหรอกอย่างวันนี้หลวงพ่อก็ได้รับจดหมายจาก อเมริกาเขาส่งมาแล้วเขาว่าผมมาบวชอยู่กับหลวงพ่อปี 2,553 บวชในพรรษาแต่นี่ผมอยู่อเมริกาผมส่งยามาถวายหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดว่าโลกนี้หาความสุขไม่ได้มีแต่ทุกข์ผมมาถึงจุดนี้ผมมาอยู่ที่อเมริกาผมทบทวนดูที่หลวงพ่อพูดเนะี่ย โลกนี้มีแต่ความทุกข์หาความสุขเป็นความสุขที่จอมปลอมเป็นความสุขที่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนั่นคืออะไรผมก็ได้มาทบทวนดูเห็นแล้วเออเป็นที่ตัวงพ่อพูดนะเป็นความจริงที่ผมในพบได้เจอเดี๋ยวนี้ผมยอมรับว่าหลวงพ่อพูดนะั้นมันเป็นจริงอย่างตลวงพ่อพูดจริง เพราะว่ามันหาความสุขไม่ได้จริงๆความสุขคำว่ า, าสุขนั้นก็คือความสุขผิวเผินเท่านั้นเองแล้วก็ต่อมากับมีแต่ความทุกข์จะมากเข้ามาแทนที่ผลที่สุดก็คือสุขทุกข์สุขทุกข์สุขน่อยเดียวทุกข์จะมากกว่าอันนี้เขาก็ตอบมีจดหมายมาหลวงพ่อฟังฟังดูแล้วอื้อ ก็หลวงพ่อก็ได้พูดจริงๆนั่นแหละหลวงพ่อก็ถามด้วยซี้ให้ถามตัวเองด้วยซความสุขที่แท้จริงนั่นคืออะไรได้เงินใช่ไหมแต่มันพัดภากไปยังไงอได้คู่ครองที่ดีใช่ไหมถ้าเขาพัดภาคแล้วเป็นยังไงได้ลูกที่ดีใช่ไหมมีความสุขถ้าเขาพัดภากวเป็นยังไงเราแร่ร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์บริบูรณ์มีความสุขใช่ไหมแต่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยหิวกระหายและเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือความสุขที่แท้จริงที่ถาวอนนั้นคืออะไรถามตัวเองดูสิมีไหมนี่แหละสิ่งเหล่านี้ถ้าเราค้นคว้าศึกษาดูให้ดีแล้วมันหาความสุขไม่ได้จริงๆโลกใบนี้มนุษย์จะโลกเพราะนั้นยา อย่าฉลาดใจอย่านอนใจอย่าไว้ใจในการเป็นอยู่ให้พิจารณาเอาไว้มันมีทางออกถ้าเราพิจารณาให้ดีแด้นะันทางพ้นทุกมีมีหนทางถักหลักทำคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบ่งบอกท่านชี้บอกไว้แล้วเดินตามแนวแถวนี้เถอะพวกเราจะเจอความสุขความเจริญทางด้านจิตใจมีความสุขที่หาเจอ เป็นความสุขอนันตา ก, การการที่ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนั่นะเป็นความสุขอนันตา ก, การเป็นความสุขที่แท้จริงถ้าอยู่ในโลกนี่แหละมันหาความสุขมันไม่แท้จริงนะมันจอมปลอมมันหลอกตัวเองให้ติดอยู่ในโลกเท่านั้นเองมันไม่ใช่ความสุขที่มั่นคงถาวรเที่ยงแท้แน่นอน เป็นความสุขที่ยังยืนถาวรไม่ใช่ไม่มีหาแล้วไม่มีอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าแต่เราหาด้วยซิจริงไหมที่พระพุทธเจ้าตรัสที่พระพุทธเจา้าพูดเอาไว้จริงไหมถ้าเราค้นคว้าศึกษาด้วยหลักเหตุผลแล้วก็ยอมรับเป็นเสียแต่เราเอาสีข้างเข้าถู พระพุทธเจ้าสอนอย่างหนึง่งเราก็ดันทุลังไปอย่างหนึง่งดันไปดันมากันนันะตายตายเปล่าพาื่ออะไรพอดันทุลังไม่ยอมรับตามไม่จริงถ้าเป็นปลานแล้วก็ต้องฟังหน้าฟังหลังฟังซ้ายฟังขวาฟังรอบด้านแล้วก็พิจนารณาการกลองไตรตรองเหตุและผลนั่นแหละเราจะต้องยอมรับไปเรื่อย เพราะพระพุทธเจ้าเอาคําจริงมาพูดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพบท่านเห็นแล้วท่านเอาความจริงมาพูดมาเล่าให้ฟังท่านไม่ใช่ว่าเล่าเล่าแบบลอยๆสักแต่ว่าเฉยๆเอาความจริงมาพูดถ้าเราพิจารณาเห็นพิจารณาด้วยความสัตย์จริงนะด้วยความจริงนะเราจะเห็นเป็นของจริงขึ้นมาในใจของเราเมื่อเห็นของจริงแล้วนะความหมั่นความพยัน ความอยากจะพ้นทุกมันมีในใจนะในจิตในใจของพวกเรานะมาขอยลูกพรลูกพาลาให้ภาวนานะทำจิตใจให้สงบนนะัเป็นพื้นฐานอันดับแรกแต่จิตใจของเรามีความสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วเราจะนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงแต่ถ้าว่าเราจิตใจของเรายังความสงบยังไม่ได้เป็นพื้นฐาน เราทํามาพิจารณากับเป็นปัญญาที่สังขารและสัญญาสัญญาและสังขารมันพันกันอิลุงตุงนางไปหมดมันเห็นก็เห็นอย่างนั้นเห็นแบบไม่ชัดไม่เจนเห็นเป็นเงาเง า, เงาลางๆไปอย่างนั้นอ่ะแต่ก็ยังดียังดีอยู่ยดีกว่าไม่ภาวนาเสียเลยแต่ถ้าว่าอยากจะให้มันเห็นเป็นจิตจาจลักษณะเนะีจริงจังจริงจังและจริงใจจากนั้นจะทาจิตใจให้สงบ เมื่อจิตใจสงบนิ่งแล้วจะมองเห็นด้วยปัญญาที่ชัดเจนอันดับแรกเรากัที่หลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนกับเราเกี่ยวลูกก๊อปอย่างนั้น เ, เราก็พิจารณาไปผิดผิดถูกถูกูกคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปคิดดูร่างกายสังขารตาหูจมูกเลื่อนกายใจกระดูกแต่ละท่อนร่างกายของเรามีเป็นยังไงอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอนสุภะปฏิโกณ ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่เศรษฐีมหาเศรษฐีระดับไหนก็เถอะร่างกายสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟเราพยายามคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดเนีแต่อีกสักวันหนึ่งมันจะยอมรับในความคิดของเรามันจะป๊อกยอมรับเลยอือใช่ เหมือนกับเราเกี่ยลูกก๊บปลงหลุมเนะ่ะตกป๊อกอืมใช่มันจะรู้ได้ด้วยตนเองในจุดนั้นแต่อันดับแรกมันก็ต้องเลี่ยก่อนเลี่ย์หาเลีย์ลงหลุมมันก็ผิดผิดผิดไปมันก็พลาดไปบ้างไกลไปบ้างผ่านไปบ้า ง, า ง, าางมันไม่ลงหลุมอะ่ะแสดงว่ามันยังปัญญาของเรามันยังไม่ยอมรับปัญญาของเรายังอ่อนอยู่ แต่เมื่อเราพิจารณ า, าเหตุตามความเป็นจริงแล้วนั่นะมันลงล็อกอมันรู้แจ้งเห็นจริงมันจุว่วาบในจิตใจของเราเหมือนกับเราระลึกถึงความตายอย่างนั้นเมื่อเราระลึกถึงความตายธรรมดามันก็ธรรมดาเะไอ้คนเราก็ต้องตายนะใช่แต่พอมันเอาเข้าจริงๆเมื่อเราระลึกถึงความตายพอมันเห็นความตายจากหัวใจจริงๆ จากความรู้สึกจริงๆความลึกซึ้งจริงๆในใจโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดานะนะมันจะเห็นมันเห็นออกมาจากปัญญาในจิตในใจแล้วมันซึ้งมากๆเลยความตายไม่ใช่ธรรมดานะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่หน่ากลัวก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่เราก็ให้เห็นให้เบื่อหน่ายทําให้ใจของเราคลายจากโลกจากควาสงสารอย่าไปติดเกาะ จะไปติดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงให้เห็นตามความเป็นจริงฮะมันจะเห็นได้ชัดเจนในจุดนั้นเมื่อเห็นความตายแล้วนะอันดับแรกของมันก่อนที่มันจะเห็นได้นะมันมันยากเหมอนกาลนะอมันเคลียร์ไปเคลียร์มาอย่างที่ว่านะมันยังไม่ยอมรับพูดง่ายๆมันเป็นสัญญากะสังขารอยู่แต่พอมันเกิดปัญญาขึ้นมาในจุดนั้นอ่ะมันเกิดปัญญา หเห็นปัญญาด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญ า, ญญามหาสติมหาปัญญาดูจุดนั้นเห็นตัวแจ้งเห็นจริงแล้วโอ้ะมันซึ้งมากในจุดนั้นนี่แหละที่จะถอนกิเลสได้คือจุดนั้นถอนกิเลสราคะโทสะโมหะขึ้นมาได้ต้องเป็นจุดนั้นนะขอให้พวกหลุบานทุก อ, องนะทั้องอกตั้งใจภาวนา และก็วันพุ่งนี้หลวงพ่อจะได้ไปมอบอาคารหลวงตาบันตาที่หลวงตาสร้างโรงพยาบาลสิบชั้นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดงบประมาณสองกว่าล้านแต่หลวงตาก็หาได้สี0ส้อกว่าล้านหลวงปู่ลีหาเพิ่มอีกประมาณ5 6 0กสิล้านหลวงพอ่อจำไม่ได้จำไม่แน่แตครบห้ารอล้าน แล้วก็วันพุ่งนี้ละวันที่หหลวงพ่อจะออกไปแต่เช้าประมาณตีสตี4 45ี่ห้านะเพราะว่าไปตีห้ามันจะสายไปสักหน่อยผมว่านะไปตีห้าไปถึงถึงก6งง็6โมงครึ่งโมงครึ่งมันจะสายไปสักหน่อยเพราะหลวงปู่ลีดโดยมากแต่เช้าเมือดอน้ำบันตาด หรือจ้าครึ่งตีสี่ครึ่งก็ยังได้เทอนะือุอโศดนะอโศดหลวงพ่อจะกลับมาหลงพอมอบอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็จะได้เข้าไปไประชมุมประชุมตึกหนีไฟอีกในโรงพยาบาลนั่นแหละหลวงพ่อนะัดให้เป็นวันเดียวกันเพราะเข้าไปอุดรมันไกลให้ไปวันเดียวกันประชุม เติดตึกนีไฟจ่ายงวดที่2อให้แกผู้รับเหมาแล้วก็เสร็จแล้วก็คงจะกลับมาอุโบสถนะถึงยังไงพวกเราลอก่อนอุโบสถวันพรุ่งนี้ตามปกติก็5้โมงนะั้นหะ5โมงลงอุโบสถให้พราใหมให่เตรียมพร้อมจะมาลงอุโบสถก็คือนุ่งผ้าจีบอล นุ่งผ้าสบงผืนนะันะผืนผ้าไตรแล้วก็ห่มผ้ากีวรเป็นผ้าไรแล้วก็ผ้าสังขาติผ้าบาแ้วก่อนที่จะลงโบสดก็มาแสดงอาบัตก่อนแสดงอาบัตห่างพันเตสัมบุลานา น, านาวัตุกาโย ο, ทุนจายาโย ο. มาให้มาเรียนกับพระผี่เลี้ยงศึกษาซะก่อน น, นแสดงอาบัดให้เรียบร้อยทุกองค์ฉะนั้นก็ค่อยเข้าลงอุโบสถถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหลวงพ่อไม่มีอะไรคงคงจะกลับมาให้ทันนั่นนะภาระกิจุระภาระอย่างว่านั่ะอย่างพาลูพปลาลานเห็นไม่รู้ยังไงแต่ละวันแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้หนักใจหรอก มันมาแบบผาดมากเกยก็ทำหน้าที่ไปก็พยายามทำให้ดีที่สุดเมื่อทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ไมขณะที่ทำได้ก็ทำไปอย่าวันวานมังกรก็กกไปไประชุมที่ขอนแกน่นมูลนิธิอันนั้นก็จบลงไปแล้ว สรุปแล้วก็คือเราอยู่ในชุมชนสังคมก็ช่วย่วยกันไปพอที่จะช่วยได้นะแต่ช่วยไม่ได้แล้วคือเอา้าก็ยอมแพ้เราจะไปแบกโูกทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้เราจะสลัดทิ้งเฉยๆจะไม่สนใจไม่รับรู้รับทราบต่อผู้ใดเลยมันก็ไม่ถูกอีกเพราะนั้นการที่จะทำก็ต้องอันไหนพอจะทาได้พอจะแบกได้พอจะช่วยเหลือกันได้ แบ่งเบาภาระกันบ้างได้บ้างเนี่ยต้องช่วยช่วยกันโลกใบนี้มันก็ร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าช่วยกันสร้างสาพัฒนาแต่ถ้าว่าพวกเราเถียนแก่ตัวไม่รู้จักสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์กันไม่ช่วกันไม่รู้จักช่วยกันมันก็ลาบากเหมือนกนันนะเออกงมีอะไรไั้ม ลูกลานใครเป็นส ม, มเณรวะเป็นไงส ม, มเณรฮะสบายอยู่นะส ม, มะเณรนะเราจะไม่ศึกใช่ไหมฮะเราจะศึกทีหลังใช่ไหมไม่น่าศึกเลยวะบวชตลอดไปวะแต่ไม่ได้หละต้องศึกนะ พ่อเรียนให้จบซะก่อนจบปริญญาตรีซะก่อนค่อยว่ากันหลวงพ่อไม่ส่งเสริม ล, ลูกหลานเรียนไม่จบต้องเรียนให้จบก่อนอย่างน้อยปริญญาตรีป่ะเลิกกัน